จัน ย, ยูกิ้็กับมาแล้วตันกวงพระจีนก็กลับมาแล้วญี่ปุ่นจีนศรีลังกาก็อยู่ที่นี่อินเตอร์ในเช่นแนวมาทำอะไรกันก็คงจะเหมือนกันทุกชีวิตนะนะก็คือ มารับรู้รับทราบข้อมูลวันนี้มีไว้เพื่อทำอะไรมาเจ้าหลวงพ่ อ, พอเขียนท่านเทศต้องฟังให้ดีเโอ้มันเป็นอะไรที่ปลกุกอสมวรแต่ละผู้ปฏิบัตินะ วันก่อนมาจากเชียงใหม่มาถึงที่นี่วันสี่ทุ่มเสร็จเจ็จแม่อาจารย์กำพลเคยมาอยู่ที่วัดป่าสุกโตนี่แหละแล้วก็ตั้งใจว่าทำด้วยไม่เคยชอบเข้าวัดแต่เราใสลูกชายอาจารย์กำพลมาอยู่ที่นี่ผมรตาตม า, าเคยคิดสร้างกุฏิให้ใครเนะี่ย จั์กำพลเป็นบุคคลแรกเลยบุคคลแรก <c oughs> เห็นว่าเป็นญาติโยมแล้วก็มีความทุกข์ต้องการหาช่องทางต้องการรับรู้รับทราบช่องทางก็เขียนจดห ม, มายมาหลวงพ่อเขียนเนี่ยก็ตั้งนาไปไปบวชมันเป็นทางออกจริงๆ ก็เลยชวนมาอยู่นี่เป็นเพื่อนกันที่ปฏิบัติเข้ามาอยู่กันผมมีศีลใครยังไม่มาขอให้มาใครที่มาอยู่แล้วขอให้มีความสุขมีความสุขมีความสุขหลงชิดพ่อก็ต้องมากับลูกเพราะว่าลูกช่วยตัวเองไม่ได้เลยตอนหลังก็เลยสร้างกุศลหนึเป็นกุศลแรกเลยอีกกุศลนึงหลังจากที่ส อ, อชอตสิบห จ6มันมีอยู่เดิมแล้วก็สร้างใหม่เพิ่มตอนนี้ก็ยังอยู่ของใหม่แต่ว่าของเก่าถูกย้ายไปเป็นกุฎจานทร์โนตแบ่งออกไปแล้วก็สร้างกุฎใหม่แฮมใหญ่ขึ้นเพื่อที่เอาแม่มาอยู่ด้วยพ่อแม่ลูกแหลกสุดก็จะสร้างตรงจุดกุฎหลวงพ่อคําเขียนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยกุฎไม้สักแต่ตอนนั้นเราทําวัดสุดมันก็นที่สละไก่มันอยู่ใกล้กัน เห็นว่าจะต้องทําอาหารเย็นกันต้องมีการเจียวไข่ทอดประทูเค็มโขกน้ําพริกพระทำวัดก็ต้องหิวอ่ะนะกำลังทําวัดกันอยู่อย่างเงี้ยท่านทํากับข้าวกันเนี้มันก็หิวข้าวเราก็เหมือนเหือนกันทุกคนนั่นแหละแต่เพียงก็ว่ามันมีข้อกอําหนดบทบาทของประก็ต้องนะสองมือแต่ที่นี้เราก็ตอนนั้นก็นมื้อเดียวมันไม่มีมือเพล่น มือเดียวจริงๆแต่ตอนหลังนี่ระยะหลังก็มีสองมือใครที่จะเก็บไว้นมบ้างขนมปังบ้างหรือว่าปั้นก้เหนียวสักก้อนหนึ่งอะไรเอาไว้รองท้องตอนเพลนก็ตามอธัธยาศัยท่านแม่ก็เลยตาม อาจารย์คำพลมาอยู่วัดด้วยเป็นครั้งแรกที่มีผู้หญิงเข้ า, าวัดและอยู่ประจําแม่อาจารย์คำพลนี่ละก็ตั้งใจ ย, ยกมือสิบสชั้นหวตั้งใจเดินอยองกลมแต่ว่าเมื่อวานนี้ไปเผาเป็นงานศพกันหมดลมหายใจทิ้มขันที่สุดก็น่าแปลกที่เขาแปลกใจกันก็คือทําไมตายแล้วตัวไม่แข็งสองวัน ก่อนเข่าลงพลิกไปกับพลิกมาเหมือนคนนอนหลับแล้วก็อาจมาไปโยกโยกโลงดูกลิ้งไปกลิ้งมา ก, กลุกๆๆๆคลิกคุกคลิกคล้ายๆก็ย่ อ, อกแกเป็นศพก็ยังย่ อ, อ ก, กันอยู่อมองไปที่ช่องสี่เหลี่ยมกระจกตรงหลังลงเป็นลงเย็น แกยักยิ้วให้แกยักยิ้วให้แง๊กๆๆ๊งง๊ก ง, งงไหมผีหลอกหรือเปล่าเราไปดูบอกว่าจะมีปรากฏการแตกต่างจากสศนอื่นๆมากมายนคนที่ไปปฏิทํานะ ไอ้ที่ยักคิวไม่ใช่อะไรหรอกนะน้ำซีกหนึ่งมันเปียกอยู่ที่กระจกอีกซีกหนึ่งมันแห้งเพราะนั้นเวลาดูซีกที่มีน้ํากับซีกที่ไม่มีน้ําที่มันแห้งน้ำจะแตกต่างกันคิวจะขยับไปขยับมาทะเลือนนิดเดียวคิวมันกระตุกไปกระตุกมาใครใก็เห็นกันก็แปลกดีไม่แปลกนี่นเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ ที่แน่ๆก็คือวันสุดท้ายเนี่ยศพแม่อาจารย์กำพลเนี่ยไม่ได้แต่งเขียนคิ้วท า, าปากไม่ได้แต่งปราก็ว่ปากแดงอยู่ทุกวันเลยเลื่อนลมยังฉีดอยู่เลยถ้าเป็นศพอื่นเนี่ยปากเขียวปากซีดนะแต่ศพแม่อาจารย์กำพลเนี่ยปากแดงอยู่ ก็นีมนาตมาไปเทศอยู่นาศบบนสุดท้ายนะทวัตเจดีหลวงนะอาตมาก่อนเทศก็จะงอกดอูปากก็ยังแดงอยู่วันแรกไปจะงอกดูก็นึกว่าแหมอายุ83สบศพตายแล้วยังมาเขียนปากสีชมพูทาปากสีชมพูให้อีกมันไม่เป็นธรรมชาตนะิเพราะว่าการตายเป็นการคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเมื่อกี้เราสวดกัน แก่ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดานี่แหละการเจ็บการป่วยก็เป็นธรรมชาติป่วยทุกคนก่อนตายไม่มีใครไม่ป่วยสักคนเป็นธรรมดาธรรมดาธรรมชาติการตายก็เหมือนกันมันเป็นธรรมชาติควรเอาเป็นการบรรลุธรรมการไปงานศพทุกศพน้อมกลับมาหาตนเป็นการบรรลุธรรม เห็ความไม่เที่ยงเห็นกันหลดหลดหมดอีกแล้วหนึ่งชีวิตอย่างเงี้ยเห็นชาวสายตายเห็นสายบ่ายมวยมเป็นเรื่องธรรมดาแต่หลายคนเอาเป็นการร้องโหม่ร้องไห้การพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์เห็นครอบครัวทองบนนู่นเนี่ยไม่ร้องก็ประกาศชัดเลยศพนี้ไม่ร้องเพราะอะไรครเพราะว่ า, วาปฏิบัติตาม ถึงแม่ตายก็เป็นเรื่องธรรมดาถึงพี่น้องจะตายจากการพัดผากันก็นเป็นเรื่องธรรมดา mm. เพราะฝึกสติมามันเป็นอย่างนั้นจะเกิดปัญญาเห็นเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาธรรมชาติ mm. ถึงมันจะเสีย อ, อกเสียใจก็คงจะไม่มากหรอกคืนสู่ความเป็นปกติได้ไวเพราะมีความรู้สึกตัวอยู่ไม่หลงก็ไปแ น, นารม บกมุนคุนคิดตอกย้ำย้ำคิดย้ำทำทำไมต้องเป็นเราทำไมทำไมทั้งให้กัคนอื่นก็เป็นเหมือนกันนี่แหละ อ, อ, อันนี้สองการฝึกสติปฏิบัติธรรมมันก็ดีอย่างนี้แหละหลายคนก็ไปงานศพกันการวางหน้าวางตาแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือสะดุดกับคําพูดคําหนึ่งก็คือ หลวงพ่อกลหลวงพ่อขมเขียนเนะี่ยมักจะไปเยี่ยมแล้วก็ท่านก็จะบอกว่าตัวท่านเนี่ยทำได้เคยตายมาแล้ว <Yeah. S 1> ครั้งหนึ่งไปนอนอยู่ในห้อง ICU ไม่เอาลมหายใจไปเครื่องต่อรอง <Yeah. S 1> ไม่เอาการหายใจไม่ออกสะเลดเสมหามมันเป็นเครื่องต่อรองหายใจไม่ได้ก็ต้องไปหายใจมัน ขาดเฉลดไม่ได้มันไปขากมัน <S <S ถุยเฉลดไม่ได้มันไปถุยมันยอมยอมรับสภาพแม่จาันคำพลก็เลยตายแบบวางวางไม้วางมือเหยียดแขนตรงหงายมือพร้อมตายวางไม่เกร็งไม่เกร็งมันก็บอกถึงการยอมรับมันละไพที่มันจะเยือนก็ามาลมหายใจสุดท้ายก่อนที่จะจบลงไป ก็มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเต็มที่ประเชิญหน้ายิ้มได้มาภพยมาศพเลยนอนยิ้มดูแล้วเนี่ยครูใหญ่อาจารย์ใหญ่อาจารย์กำพลเลยบอกว่าเนี่ยแม่ตายให้ดูเจ็บให้ดูแก่ให้ดูก็เป็นครูตัวจริงไม่ใช่ว่าให้เกิดมาเฉยเฉย่ยังเป็นครูครราถานคนแรก เราก็เลยมีต้นแบบมากมายแล้วกันที่อยู่ร่วมกันแสดงออกถึงความเป็นธรรมชาติไม่หลงโลกหลงแก่หลงเจ็บหลงตายมีชีวิตยอยู่งงก็หลงกงกเงินเพิ่งตัวเองไม่ได้แม่จางพลนี่เป็นคนที่สะอาดเข้าไกล่เมกเหม็นขาวไม่เหม็นเลยกลิ่นสะอาด ผมเผ้ววีเรียบร้อยนะเป็น ผ, ผู้ใหญ่ใจเย็ น, นเป็นล่มโพล่มไสเป็นต้นแบบพวกเราที่ปฏิบัติธรรมกันก็แบบนี้แหละก็หวังว่าเราจะเกิดความสงบเย็นเป็นประโยชน์ภายในขึ้นมาเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะ หรอูดภาษาแบบไทยๆง่ายๆคือการเปลี่ยนไป mm. การเปลี่ยนแปลง mm. อันนี้จังความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์ก็คือทนได้ยากครับอกครับใจขัดแย้งไปในจิตใจครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเ mm. ห็นความไม่ใช่ตัวตนก็คือการดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับ ในโลกนี้ไม่มีอะไรสักอย่างที่นะไม่ตกอยู่ในกฎ3อย่างนะกฎปตัตไตรลักษณ์ไม่มีไม่รทังนามธรรมาก็เหมือนกันความคิดการปรงการแต่งเกิดดับทั้งนั้นนะการที่เรามาเห็นด้วยปัญญาว่านะสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดไม่ควรถือมันเป็นการบรรลุธรรม ภามมการคิดเห็นมันสัมผัสได้จิต ท, ที่เป็นปกติที่เกิดเป็นผลเป็นอันนี้ส่มาจากความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นผลจากการเคลื่อนการไหวของรูปธรรมนามธรรมเกิดดับการที่จะรูนะ้จนเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาก็ต้องเจตนารู้ซะ ก, ก่อนก็เนี่แหละที่เราเคลื่อนไหวสิบจังหวะกันอยู่ มีเจตนาการเคลื่อนอยับหยัให้สติ น, น้อยๆก็ได้สัมผัสสติ น, น้อยๆก็สัมผัสของหยับหยับชัดเจนจนคุ้นชินเกิดนิสัยเป็นปัจจัยขยายผลจนท้ายสุดไม่ทุกเห็นความจริงสัจธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนั่นแหละไม่เกี่ยงจะเป็นเด็ก เป็นวัยกลางคนเจนผู้สูงอายุหรือ ว, วัยใกล้มื่อยกล้วยไม้อะไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่ถ้ามีความรู้สึกตัวตาในมันก็ตื่นตื่นตัวตื่นรู้ตื่นทุกข์เห็นภัยในวตาสงสารขนหัวลุกเข็ดหลาบ ม, มันก็ไม่ให้เสียเวลา มีถนนว่างอยู่ก็น่าจะเหยียบเต็มที่วิ่งเต็มที่ถึงจดหมายปลายทางให้เร็วที่สุดสุดสำเร็จอุ่นใจเดียวสู่การรู้แจ้งนะการเดินยงกรมการเคลื่อนคานไหวของกายต้อง ต, ตื่นยันหลับนะเรากเก็บตกทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนะจนเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาที่จิตมันเกิดความเป็นอัตโนมัติขึ้นมาสติพฐานสี่เต็มรอบ เห็นกาเห็นเวนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นแล้วมันไม่เป็นแม่ทองหล่อแกเลยพูดคำว่าเวลาใกล้าตายนะลูกไปถามเป็นอะไรไหมไม่เป็นไม่เป็นคำสุดท้ายที่พูดได้ก่อนตายนะไม่เป็นไม่เป็นแล้วก็ครอกๆลอกไปเลยไม่เป็น ไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรไม่เป็นไม่มีใครตายร่างกายมันอยู่ไม่ได้มันก็ผุพังไปจิตก็ไปต่อ mm hmm. ก็เลยเทศว่าจิตแบบนี้มันก็น่าจะไปเรื่องของสุขโตแล้วล่ะเป็นเรื่องที่เป็นสุขในนิพพานแล้วล่ะคงไม่ใช่สุขติเป็นเทวดาเป็นพรหมอันนั้นยังคิดดียิ้มแย่ยงอยากทำบุญอยู่ ไปทุกขติก็ทุรนทุรายทรมานตายแล้วก็ตายตาไม่หลับแต่รันรอกก็สูรกายจัดเดรย์ฉานอใบยภูมิก็คอยแต่ตะพูดคําว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นเรื่องของนิพานแล้วใจเย็นแล้วสงบแล้วยอมรับแล้ว ตกไรปร ะ, ะโจแล้วมันเกิดอาการตายก่อนตายขึ้นมาก็ว่าไม่เป็นไรแต่เป็นก็เป็นเช่นนั้นเองไม่มีปัญหาปัญหาถ้าจะมีสำหรับพวกเราทุกคนคือกลัวกลัวอะไรก็ตามกลัวผีกลัวแสงกลัวการตายกลัวสัตว์สาลาสิ่งกลัวเข้าว่าเรากลัวนินทา กลัวเสื่อมแลบกลัวตัวเองมันเป็นไพลไลน์ในตัวมันเป็นปัญหาความกลัวเป็นเรื่องของมัจจุมาลมัจจุมานกลัวหายชั่วกลัวบาปก็เป็นเทวธรรมกลัวจริงๆเรื่องความไม่ดีนะก็ยังทุกข์อยู่ เพราะนั้นเราจึงเห็นมันรู้มันรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจรูธรรมชาติของกายรู้ธรรมชาติของกา ย, รรากายภายนอกภายในของใจก็ภายนอกภายในมันมีอยู่ตากระทบรูปอเป็นภายนอกไปแล้ว ใจของเราเวลามันกระทบมันเกิดความพอใจไม่พอใจเป็นภายในอีกแล้วมันปกติมันผิดปกติเห็นทรรภายนอกเห็นทรรภายในเป็นรูปธรรมนามธรรมต่างๆความรู้สึกตัวนี่ไม่ใช่ธรรมดาทีเดียว เ, ยเมื่อปบัติเข้าถึงถึงจุดของมันถึงที่ถึงทางได้ที่พักได้ชาน มันเป็นฌานมันเป็นญาณสติความรู้สึกตัวเป็นฌานก็คือพักจิตใจเป็นปกติทุกไม่นานเป็นฌานเป็นที่พักเป็นที่อยู่สติปัฏฐานขณะที่ใจมันชอบคิดมากเ ล, ล่อนเป็นสัมภเวสเีเกิดดับเกิดดับถี่ยิบเป็นโอปปาธิกะปุตเกิดขึ้นมาตายไม่มีแทรกตายก็ไม่ต้องเผา มันก็จะมีปัญหาเพราะว่ามันไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็จึงให้ใจมันมีสติอยู่กับกายรู้สึกตัวรู้สึกตัวเอากายเป็นวิหารธรรมเป็นบ้านพอเกิดความเป็นปกติขึ้นมาเด่นขึ้นได้ที่พักภายในเป็นยาณคือขนส่งเวลายอยู่ที่บ้านปลอดภยัยออกไปตากฝนเปียก เวลาเจอแดดเจอไฟร้อนลุ่มตกน้ำก็ไหลตกไฟก็ไมมันไม่มีที่อยู่แต่พอกลับมาด้านนั้นขนส่งมาไหลไปสู่ทุกข์ก็กลับมาสู่ความเป็นผู้ที่ไม่ทุกข์มาไหลผิดออกไปจากความที่ผิดปกติมาไหลามาสู่ความเป็นปกติมาไหลไปสู่อดีตอนาคตแล้วก็กลับมาสู่กับปัจจุบันอยู่ที่กายอยู่ที่กาย มีสติรู้กายมีสติดูจิตเห็นชัดทางความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนความเป็นทุกข์มันแสดงออกอาการเกิดดับต่างๆ่ตั้งแต่หยาบไปหาละเอียดมันก็เลยเป็นของที่ไม่แน่สิ่งที่ว่าแน่เป็นของที่ไม่แน่สิ่งที่ว่าไม่แน่มันก็แน่ เป็นกองที่แน่แน่นอนได้เจอทุกคนวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปนทุกข์เชีวิตกระรัวไวอ น, นิี้จังมันสอนทำเรา อ น, นิจังอ น, นิจจาชักมังสกุลอา น, นิจังวัสังฆาลาอุปทาโยธรรมมิโนอุปัจิตวานิรจันติเ ต, ต, ต, ตสังบูปจมสุขโขอ น, นิจังดับสังขารจะได้อยู่เป็นสุขก็คือการคิดปรุงแต่งการคิดปรุงแต่งความรู้สึกตัวนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดา ถึงจะมีชีวิตยอยู่มันก็เป็นชีวิตยอยู่ที่เกิดคุณค่ามากกับการทำหน้าที่ใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจของเราเกิดจากความคิดที่มันเป็นกุศลเป็นความฉลาดสติเป็นพ่อเป็นแม่ออกุศลทั้งหมดถ้ามีสติมีความรูมรม้สึกตัวแล้วจิตมันไม่เป็นอกุศลหรอกทำอะไรก็เป็นเรื่องธรรมชาติไปหมดมันไม่มีกรรม ถ้าจะเป็นกรรมก็เป็นกรรมฐานคิดกรรมฐานพูดกรรมฐานทำด้วยกรรมฐานคือรู้สึกตัวอยู่กับการคิดการพูดการทำอันนี่สอก็ทำให้เกิดวิปัสสนาขึ้นมาเกิดธรรมชาติภายในภายนอกขึ้นมามันไม่เป็นดีเป็นชั่วดีชั่วเป็นมโนกรรมดีมโนกรรมชั่วเป็นบนุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์ แต่เป็นธรรมชาตินี่ไม่มีมันเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาทำโดยไม่มีเจตนาทำเพราะเหตุปจัจจัยต่างๆมันก็เลยก่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นความรู้สึกตัวที่เกิดเป็นตัวหยาบที่กลายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรม เป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันใช้ได้ก็คือหน้าที่โดยตรงของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเป็นรองธรรมะจัดสรรธรรมะจัดสรรธรรมชาติจะให้เราไหลไปตามกรอกของเหตุของปัจจัยต่างๆก็เลือกใช้อย่างเช่นหลวงพ่อนในเหตุปัจจัยนี่ชัดจริงๆวันที่จะไปหาแม่อาจารย์กำพลเนี่ย หลวงพ่อ เ, อเขียนท่านก็จะไปด้วยนั่งหน้ารถไปเรียบร้อยแล้วกำนันเวรขับมารับหลวงพ่อก่อนแล้วกขับออกไปที่จะรับพระ ส, สงฆ์มาชี้หลวงพ่อก็นั่งเป็นประธานแล้วหน้าสุดโอ้หลวงพ่อไปเหมือนกันนะเนี่ยสักพักหนึ่งเอาของลงเฉยเลยเออไม่ไปล้ะไม่ไปละ ไปกันเนะหงพ่อไม่ได้ไปแล้วมีคนเห็นว่าทุกถ้าไปเดินทางไกลนะจะลาบากแต่หลวงพว่อคงไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกคนที่ฝึกตนดีแล้วนะไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกอยู่ก็ได้ไปก็ได้ถ้าไปก็ได้ประโยชน์อยู่ก็ได้ประโยชน์ท้ายสุดนั่งรถไปรงเทมไม่ไปเชียงใหม่แต่ไปกรงเทพเหมือนกันนั่นแหละ ก็คือเป็นเหตุปัจจัยบางทีเรื่องเราจะคิดไปไหนนะโดยตัณหาโดยความทยานอยากไปเพราะอยากไปไปก็ขนขวายอันนี้ไปมันเป็นงานเป็นหน้าที่คนก็ศรัท ธ, ธาก็นิมนต์เมื่อเานิมนต์นนก็ต้องไปนะไม่ไปก็ถือว่าขัดบุญเราก็เลยเออเห็น ท่านดูเหตุการณ์เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเฉพาะหน้ามีความเป็นกลางมีความยุติธรรมยุติด้วยธรรมไม่ขัดแยง้งตรงไหนคือกลางเราก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดไม่มีฝักไม่มีฝายเราก็เลยนะได้เห็นว่าเออมีครูบาอาจารย์แบบนี้ยังมีชีวิตอยู่จริงมาช้ามาเทศแบบเต็มเต็มให้เราได้ไปเราทำกันมันก็เลยไม่ต้องนิ่งดูได้ มาถูกที่ถูกแหล่งมีสภายะอากาศก็สบายตื่นกับฝนตกเปียกแะร้อนอา้าวมาที่นี่อากาศพอดีพอดีเหมาะจริงๆอากาศกัสปายะอาหารกัสปายะเมื่อเช้าดูอาหารแล้วโอ้อาหารปลอดสารพิษพอ ร, รู้ได้ชัดวัดจากตัวเองนี่แหละ ขณะที่เรารับรทานอาหารฉานอาหารกข้าไปเนะี่ยมันบอกทันทีนะผมน่ะทำมาไปล้างสารพิษมาสองครั้งแล้วก็ก็บอกอยู่ว่าอาหารเนี่ยมันอันตรายก็ไปฉันข้างน อ, นอกเนี่ยขึ้นผื่นเต็มหน้าเลยพิษมันออกหน้าออกหัวตามแขนเป็นเม็ดเป็นเม็ดตุ่มเต็มไปหมดก็ก็บอกไว้แล้วทํานายดัก ขนปราขนมันก็เป็นอย่างที่เขาพูดนะนะเออบางทีเราไม่ต้องไปคิดเอาเองแล้วว่ไปต้องไปทดลองนะผู้รู้มีอยู่เขาก็บอกชัดเมื่อกายเราสะอาดเรากินอะไรที่สกปรกเขาแมก็แสดงออกทันทีขับไล่ออกทันทีจิตก็เป็นเหมือนกันเมื่อจิตเราปกติดนะีเวลามันมีพิษเกิดขึ้นมาในอารมณนะ์เกิดมะเร็งในอารมณ์ มันแสดงออกมาเป็นความผิดปกติโอ้ยมันก็ผลักออกทันทีเหมือนกันนั่นแหละของร้อนปกติมันสบายมันธรรมชาติบริสุทธิ์เป็นพรมจรรย์ชีวิตพรมจรรย์พอมันไปเจออะไรที่ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์มันก็รู้แล้วจิตมันก็บอกมีบวกมีลบไม่ศูนย์ ไม่สมดุลเมื่อเกิดความชัดเจนขึ้นมาตัว อ, อย่างพระสื่อหลังกายปฏิบัติรำด้วยความตั้งออกตั้งใจอาจจะละเสร็จแล้วก็ออกไปข้างนอกเขาสังเกตอะไรได้สังเกตว่าจิ ต, ตมันเปนปกติมันเป็นยังไงเวลารู้สึกตัวมันเป็นยังไงเวลาเจออารมณ์แล้วจิตข้างในมันเด่นมันเป็นยังไง เหมือนคนหาเงินเนี่ยเราได้เงินเนี่ยได้เท่าไหร่ในกระเป๋าก็รู้สึกว่าไม่พอใช่ไหมแต่ว่ามีอยู่ในกระเป๋านีแต่เวลามีเรื่องที่ไม่เกิดอารมณ์มายั่วยุยั่วยวนเชิญชว น, ว น, ว น, ว น, วนให้ซื้อเสียงเงินในกระเป๋าไม่เดาไปเห็นแสงสีเสียงวัตถุที่เขาต้องการที่จะยั่วยุเป็นบริโภคนิยม มาตัวนิยมต้องการเงินในกระเป๋าเราเรามีกระตังอยู่ในกระเป๋าถ้าอยู่ไม่มีที่อารมณ์เย่อยิ่จะรู้สึกว่าธรรมดาธรรมดาแต่พอเดินออกไปทันเจอการโฆษณาชวนเชื่อปับ๊บมันจะเด่นขึ้นมาทันทีอะไรใจกับเงินมันจะเด่นขึ้นมาเลยมีเงินในกระเป๋ามีเงินในกระเป๋ามันก็ต้องคิดแล้วล่ะว่าจะใช้หรือไม่ใช้เพราะเวลาเราปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดในวาถ้าไม่มีอารมณ์นะ จะเหมือนเฉยๆเนยๆเหมือนกับว่าไม่ได้อะไรนั่นแหละคือได้ทุกครั้งที่ยังเดินได้อยู่เคลื่อนมือได้อยู่รู้สึกตัวได้อยู่นั่นแหะคือได้เหมือนไม่ได้อะไรแต่พอออกไปปั๊บเนี่ยไอ้ที่ว่าไม่ได้มันจะเด่นขึ้นมามันจะแยกให้เราเลยระหว่างตัวเรากับสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายเด่นเลย แต่ถ้าไม่รู้สึกตัวต่อไป <Yeah. S 2> ไม่เคลื่อนไม่ไหวไม่รู้สึกนะเดี๋ยวถูกดูดหมดมันจะหายไปเลย <Yeah. S 2> ก็เลยครั้นี้ก็บางคนอาจจะไม่กลับวัดเลยนะพอไปแล้วก็ไปเลยเตลดเิดเปิดเปิงไปเลยไม่หยุดการแสวงหา <Yeah. S 2> วิธีปฏิบัติพระยังสงสัยอยู่ <Yeah. S 2> ตรงนี้แหละต้องอยู่อย่างพระบนใหม่ต้องอยู่กับอุปชายได้หนึ่งถึงห้าพรรษานะี แลวเวลาบวชต้องเคารพว่าท่านเป็นผู้ที่บรรลุธรรมเราสามารถที่จะสอนเราได้เราก็จะถือเอานิสัยของท่านจะไปไปไหนเรืั้งนั้นนะไล่ไปไปจะฆ่าก็ยอมตายใช้เราก็จะทำออมขนาดนั้นเป็นศรัทธาเพราะถ้าไม่มีศรัทธาระดับนี้ปัญญาก็ไม่งอกมันจะกลายเป็นคนที่ทาําตามใจตัวเองไปเรื่อยไม่หยุดมันเสียเวลาชีวิต ต, ตรงนั้นนะ เราเด่เห็นอย่างอาจารย์ญี่ปุ่นโอ้อยู่กัน25ส่สิบห้าพรรษาแน่ใจเนาะใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ญี่ปุ่นไม่ไปไหนต่้งก็อยู่ของท่านตรงนี้ที่ไปก็เพราะว่ารู้ธรรมมากก็ต้องไปแบ่งกันชาวญี่ปุ่นไม่มีพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องการปฏิบัติที่ะกาศเดี๋ยวพวกนีเอาฟังตันเทียนเป็นยังไงญี่ปุ่นมีสุขมีทุกข์แต่ไม่มีตัวปกติมันไม่มีฌาน มันไม่มีชาญไม่มีที่พักเมื้อคนเราขึ้นที่สูงเวลาตกตกฟืดไม่มีที่พักอหลนตืบยังไงก็ตายแต่ชาวพุทธเมืองไทยเนี่ยมีที่พักเวลาขึ้นสูงแล้วก็เกิดตกลงมามันไม่ประสบความสำเร็จมีก็มีมีทานมีศีลมีภาวนาตกมาที่ทานพอให้แล้วก็เออมีความสุข ความสุขที่แท้จริงในชีวิตคือความสุขที่เกิดจากการให้นะมันเป็นความสุขที่สุดคนที่ล้มเหลวที่สุดคนที่หมดพลังในตัวเองที่สุดคือคนที่ทำลายตัวเองละดลายอะไรก็ไม่เท่ากับว่าจมไปอยู่กับความคิดของตัวเองร้ายที่สุดตายสุดจะกลายเป็นโรคเจ้าซึมเบื่อเซ็งค่าตัวตายผูกคอตายกินยาตาย ไม่ทำร้ายตัวเองก็ทำร้ายผูนะ้อื่นเป็นความร้ายมันเป็นอะไรที่เราชาวพุทธนะหรือว่าผู้ที่ปฏบัติ น, บบนีน่มันมีที่พักอยู่นะความสุติการให้นะเกิดจากการให้สัจราลาสิ่งนะต้นไม้ใบหญ้าบุคคล1 2 3สหรือว่าให้ท ร, รมาเป็นทานนี่สูงสุดทีมกันคือเราให้ตัวเองนะ ทำบุญให้กับคนอื่นมาเยอะปฏิบัติธรรมให้กับตัวเองเต็มที่รู้สึกแต่ละขณะขณะกำลังทําบุญกับตัวเองกับกายกับใจของตัวเองเนี่ยเป็นบุญในพระพุทธศาสนาทีเดียวไม่เอ่ยทำบุญนอกศาสนานอกตัวเองไปให้กับตัวเองได้ก่อนเมื่อให้กับตัวเองได้ก็ต้องให้กับคนอื่นได้รักตัวเองเป็นก็ต้องรักกับคนอื่นเป็นเมื่อตัวเองทําเป็นก็ต้องบอกคนอื่นได้ ก็คือสัจธรรมตัวนี้โกหกกันไม่ได้ความจริงที่มันคนส่วนน้อยและที่จะพูดถึงกันความรู้สึกตัวความเป็นปกติ <c oughs> เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกแต่ยุคนี้ยังมีปรมาจารย์ของพ่อเทียนเจียโพได้ชี้นำมีหลวงพ่อเขียนท่านได้เป็นลูกศิษย์เอกอันนี้เราก็ยกย่องท่านแล้วเราก็ทาตามเพราะฉะนั้น ไม่ใช่แค่ที่เอ่ยอ้างนี้เท่านั้นทุกคนเราก็มีครูที่สอนเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าทุกทุกคนก็คือครูของเราศัลสาราสิ่งต้นไม้ใบหญ้าสายลมแสงแดดก้อนหินเม็ดดินเม็ดทรายเป็นครูสอนเราเราเทียมกันกับเราเป็นครูสอนตัวเองเลือกทางเดิน ชีวิตเดินสู่ความตายแต่จิตใจของเราจะต้องที่สุดแห่งกองทุกข์เพราะว่าภัยวัตสงสารมันน่าเบื่อเปลี่ยนไวไัยตายเกิดเกิดแล้วเกิดอีกการกินเกลียดกินขี้ปีนอนเป็นแค่นั้นแหละสุขเหนือการสุขในโล ก, กุตละจิต ท, ที่เป็นปกติมเป็นความสุขที่เราสามารถเข้าถึงได้ตลอดเว ล, เวลาเลย ได้ทำประโยชน์ต่อไปกับทา4สีกันห้าของเราแล้วก็สรรพสัตว์สรรพสิ่งก็เรียกว่าเป็นอภรญญาเป็นโพธิสัตว์เป็นพรหมเป็น้ลนละเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้ไปสนใจมั น, เ, นเพราะว่าคำว่าไม่เป็นไรนที่มีอยู่ในทาคำพูดของหลวงพ่อมันก็แสดงออกกับแม่อาจารย์กำพลแล้วเราก็หวังว่าวันหนึ่งเราเจอโจทย์ใหญ่ สอบใหญ่ท้ายสุดเราก็จะสอบผ่านเหมือนกันพอเราได้พูดไว้ทุกๆขนาดแล้วเวลาที่เพื่อนเขาทำให้เราไม่สบายใจล้วก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเวลาที่เกิดความคิดคิดไปอดีตเป็นสุขก็ไม่เป็นไรคิดไปในอดีตที่เป็นทุกข์ไม่เป็นไรไปฏิบัติธรรมมันไม่เข้าใจอะไรไม่รู้ก็ไม่เป็นไร เราก็จะเคลื่อนมืออยู่นี่แหละจะเดินจงกรมอยู่นี่แหละไม่เป็นไรมันจะหิวหน่อยไม่ได้กินข้าวเย็นก็ไม่เป็นไรเพื่อนก็ไม่กระใจแล้วไม่เป็นไรเรากระใจเขาแทนซะแล้วก็พูดจนกันทั่งเหมือนกับว่ามันก็ชินเหมือนกันแหละชินเดียสู่สภาวะของความรู้สึกตัว ภายในที่มันบอกถึงความไม่เป็นไรมันไม่ใช่แค่ภาษาพูดเฉยๆมันเป็นภาษาใจภาษาธรรมชาติหปมพากฏนั่งเจ็บปวดหน่อยไม่เป็นไรมันง่วงขณะปฏิบัติไม่เป็นไรเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรมันสัมผัสได้ละวอ่ายันนี้ก็พูดให้ฟังกลับมาพร้อมกัน